เป็นสับคัญอยู่ตระสอนความจริงประสอนความจริงรวา่งวาธรรมม า, มายมา่อมชนละในวันนี้พวกเราได้มาประชุมกันหนึ่งในวั น, วนอุธโบสตรเราข้อมารวมกันทําๆปริยาประเทนีซึ่งสืบต่อกันมาการเวลาก็ค่อยๆผ่านพ้นไป ก็เหลือประมาณอีสิบห้าวันหรือหนึ่งโบสต์ก็ถึงสมมติออกภาษาตามสมมติทั่วไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพยายามสั้งอยู่ในความไม่ประมาทรีบเร่งควรขวายในการบำเพ็ญภาวนาให้ยิงๆริงเกนไปเพราะเราทุกคนนั้น สละกชีวิตของคาลาวาดเข้ามาปวดมาปฏิบัติตลากหน้าที่การงานต่างๆออกมาตลากชีวิตครอบครัวเพื่อมุ่งหวังการปฏริบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อความพ้นทุกข์ นักศึกษาหรือนักเรียนเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการเล่าเรียนหนังสือให้ดีที่สุดนักปฏิบัติคืออยู่ในเทศของธรรมนานี้ก็ต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสไปในจิตใจงเราให้ได้ เพราะฉะนั้นการเวลาก็ล่วงไปล่วงไปเราต้องมีสติในการที่จะทำความเียนอยู่ทุกๆขณะจิตนอกจากเพิดสติเราก็ตั้งขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าการปฏริบัตินั้นโดยปกติแล้วเราอาศัยธรรมวินัยของสมเด็จพระธรรมสัมพเจ้าเป็นแบบอย่าง ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเครื่องดําเนินข้อวัดปฏิบัติต่างๆหรือตุวดวงวัดนั้นเป็นเครื่องขูดเกาหรือขัดเก่ากิเลส ข, ของเรานั้นเพราะว่าจิตใจงเรานั้นโดยปกติแล้วเป็นจิตใจซึ่งมีความดิ้นรนกับเกอกไม่แน่นอนจิตใจงเรานั้นยังไม่เป็นผู้รู้ก็หลงอยู่กับกิเลสต่างๆ เป็นมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นหลวงสมเด็จพระสัมมาสัมพรทธเจ้าจึงวางธรรมะวินัยและข้อวัดต่างๆเพื่อเป็นเครื่องที่จะควบคุมจิตใจ เ, เรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลของสมาธิของปัญญาการึกรัดทุกสิ่งทุกอย่างในข้อวัดปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อที่จะ ทํารวมจิตใจของเราหรือตะล่อมกิเลสนั้นให้ไปรวมกันเพื่อที่จะสินสมาธิปัญญาเข้าไปทําลายกเกเรตไปในใจเงเราให้ได้สินคือธรรม毗ในท่านเป็นพื้นฐานของพระพิษุธรรมเนินซึ่งเมื่อเข้ามาบวชแล้วเราก็ไม่ทําบาปทั้งหลายทั้งปวงรักษาสินคือธรรม毗ในเป็นปกติ เป็นสติวิไนไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทเมื่อเรามีสติควบคุมจิตใจเหล่านั้นอยู่ในขอบเขตของธรรมวิไนแล้วจิตใจเรานั้นยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความนึกคิดตกแต่งไปในสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องซึ่งเป็นกิเลส ไปในจิตแจงเรานั้นพูมแต่งสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นครถึงต้องฝึกหักทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะควบคุมจิตแจงเรานั้นให้เกิดความสงบเกิดขึ้นให้อารมณ์ต่างๆน้อยปแป่จัดแจงเราเพราะถ้าอารมณ์มีมากขึ้นภายในจิตแจงเรานั้นจิตแจงเราก็หลงไปกับอารมณา์ลึ้มกลางอารมณ์ หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตแจขงเราความทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นการสำรวมจิตเพื่อเกิดสมาธิภาวนานั้นเราต้องเห็นประโยชน์ของการที่จะทำสมาธิภาวนานไม่ว่าจะอยู่ในยบทยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติกั บ, กบดูแ ล, แลรักษาจิตใงเราไปทุกๆขณะจิต เมื่อเรามีโอกาสส่วนตัวเราก็สำรวมในอดบทนั่งสมาธิหรือเดินถึงกรมเพื่อที่จะทำจิตของเรานั้นให้มีความสงบกขึ้นให้มีอารมณ์น้อยลงไปเพราะถ้าเราไม่มีสติกำหนดจะจจอยอยู่กับคำถามที่เรากาวนาแล้วจิตของเรานั้นก็ไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกะแฟน้ำมันเที่ยอกาก็พัดพาจิตใจเรานั้นให้ไปกระทบทางของฝั่ง จิตแจงเรานั้นเหมือนท่อนท่อนไม้ที่ลอยอยู่ในกระแสน้ํากระแสน้ํามันรุนแรงคืออารมณ์ซึ่งอยู่ที่มีภายในจิตแจงเราเนะี่ยก็ซับไปกระทบกับทางสองฝั่งไหลไปกับตามกระแสน้ําจิตใจงเราก็เหมือนกันถ้าจิตแจงเรานั้นไม่มีกำลังสติเส้นตั้งมั่นแล้วจิตของเราก็ไหลไปกับอารมณ์มีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นจิตใจก็ไหลไปกับความโลภ มีอารมณ์ความโกรธจิตใจก็ไหลไปก่อให้เกิดความมาฆาาพยาบาลก่อให้เกิดความโกรธความไม่พอใจจิตใจเราไหลไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเรานั้นให้เข้มแข็งเหมือนกับเขาทําเขื่อนกั้นน้ํากั้นกระแสน้ําอารุดแรงเขาก็ทำทำนุบขึ้นมาต้นน้าไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเสียน้ําที่ดีก็กักไว้ก็เกิดประโยชน์ ใจงเราก็เหมือนกันก็ต้องทำสติทำสมาธิเป็นทนมนบเป็นเขี่ยนกั้นกระแสของอารมณ์เมื่อเราพยายามมีสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องแล้วสติก็ตั้งมั่นขึ้นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจงเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ปล่อยออกไปเราไม่ยึดม้่นถือมั่นอารมณ์มนั้นในเบื้องต้นก็ปล่อยออกไปอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ปล่อยไปเหมือนกระแสน้ําแล้วก็เปิดเขื่อน ให้อารมที่ไม่ดีออกไปเพราะฉะนั้นการทําสมาธิภาวนานั้นจึงเป็นการสำรวมจิดเพื่อที่จะตัดอามซึ่งเป็นอดีตออกไปจากใจเราอารมณ์ซึ่งเป็นอนาคตออกไปจากใจเราอารมณ์กิเลสซึ้นปัญญาของเรานั้นไม่สามารถที่จะพิณาละออกไปได้เราก็ใช้สมาธิตัดอไปก่อนทําจิตให้สงบก่อนเหมือนหลบเข้าที่พักก่อนหลบข้อที่กบาบังก่อนให้จิตมีกําลังก่อนจึงจะ ออกไปทำลายตัตรูหรืต่อสู้กับศัตรูคือกิเลสไปในใจงเรานั้นการทำความเปลี่ยนนั้นเมื่อเราทุกคนนั้นบางคนบางท่านจิตใจยังไม่สงบชอบคึกนิดคึกคิดนึกไปกับอารมณ์ต่างๆภายนอกคิดนึกไปกับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดอนเส้นไปในใจงเรานเนี่ยมันก่อให้เกิดกิเลสเราก็ไม่รู้จักว่า เจ้าะไรมาควบคุมจิตใจเราหรือไม่รู้จะข้าไม่รู้จะแย่งยั้งส่งเสริมจิตใจเราไปกับอารมณ์กิเลสอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องทําสมาธิภาวนาเพื่อที่จะตัดอารมณ์ต่างๆออกไปสํารวมจิตใจเรานั้นให้มีความสงบเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเรานั้นค่อยๆมีความสงบเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเพียรไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทาอะไรก็มีสติควบคุมใจเมื่อมีเวลา ก็ทำสมาธิให้มากเจริญให้มากในการเดินยังกรมนั่งสมาธิทำให้ต่อเนื่องเมื่อสติสมาธิต่อเนื่องกำลังของจิตจะตั้งมั่นเข้มแข็งไม่หวันไหวอารมณ์จิตก็เป็นกลางถึงแม้จะยังมีกิเลสอยู่แต่จิตก็เป็นกลางด้วยสมาธิเป็นอุเบขาทำด้วยสมาธิแต่กิเลสหรืออารมณ์ต่างๆยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อตายเห็นรูปหูดีนเสียงจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็ตาม เราก็จะมีสติเห็นอาการเหล่านั้นเห็นอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมีสติเห็นที่ใดอย่างหรืออามรมณ์อย่างยามเนี่ยู้บายปัญญาก็เกิดขึ้นที่จะมาช่วยสติที่จะพิจารณาละวางอารมณ์หนอไปจัดแจงเราจะเป็นอารมณ์ความโลภ ก, ก็ดีก็มีสติมีปัญญามาช่วยพิจารณาลออ่าไปจะเป็นความโกรธก็ดีก็มีสติมีปัญญาช่วยพิจารณาเล่าไป ความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในโดยขานแตกนี่แหะปัจจัยทั้งสี่ที่อาศัเาายเราอใส่เพื่อบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนหึ่งเท่านั้นบำเพ็ญพันธธรรมไปตลอดชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละเราไม่ต้องการอะไรมากเและมุ่งหวังในการปฏิบัตินั้นเป็นสําคัญแต่มีความโกรธเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็มีสติมีสมาธิเห็นอารมณ์นั้น ว่าความโกรธนั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราจะละความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจเราเราจะละความโกรธให้หมดสิ้นไปจแกใเรามีสติมีปัญญาตั้งใจที่จะล่าอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราอยู่เสมอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธไปเกลียดใครหรือไม่ชอบใครสิทธิของเราคือหน้าที่ในการที่จะทําลายความโกรธให้หมดสิ้นไปจากใจเท่านั้นหน้าที่ของเรามีเพียงเท LL ่านั้นไม่ใช่ว่าหน้าที่ของเราต้องไปอาฆาตไปบาทคนเด่นหรือต้องไปโกรธคนเด่น เพราะฉะนั้นการมีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตแจงเหล่านั้นจึงจะทําให้จิตของเรานนั้นเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีภายในแจงเราเราก็ต้อหนีตักเตือนตอนเองนั่นแหละแก้ไขจิตแจงเราเองให้บรรเทาเบาบางไปจากความโกรธด้วยการเจริญเมตตาด้วยการให้ไปซึ่งกันและกันหาวิธีทุกวิถีทางที่จะดับความโกรธให้สิ้นไปจากใจเราอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นอารมณ์อย่างหยาบเนี่ยเราก็มีสติที่จะเห็นได้ง่ายเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ เราก็เข้าที่ในการบําบเพ็ญเตียนภาวนาเดิมือคมนั่งสมาธิสลับกันไปทําจิตให้สงบให้ต่อเนื่องเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขึ้นใหมีเราก็จะเห็นอารมณ์ภายในใจเราซึ่งละเอียดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาลมีจะมีอารมณ์อันใดซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราอันเป็นกิเลสเป็นหยาบในอย่างกาลางหรอย่างละเอียดก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปทําจิตให้เป็นกลาง ไม่ให้เกิดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทําจิตให้เป็นการอยู่เสมอถ้าจิตมีความพอใจเราก็พิจารณาให้จิตเป็นการถ้าจิตมีความไม่พอใจเราก็พิจารณารมนั้นให้จิตเป็นการอยู่เสมอมีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบันธธรรมเห็นอารมณ์และพิจารณาละวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราได้ทุกๆุกขณะจิตเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิหรือเดินยนืนกรมจิตใจเราก็สงบได้ง่าย พอมีสติต่อเนื่องกําหนดกรรมฐานที่เราภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วจิตว่างแต่กระลมเราก็ยกร่างกายเหล่าเนี้ยขึ้นมาพิจารณาถ้าหากไม่มีนิมิตกรรมฐานเกิดขึ้นนิดนิตสุภาษกรรมฐานหรือธาตกรรมฐานเก็จขึ้นเมื่อติดสงบพักอยู่ในความสงบพอสมควรไม่อจิตจะถอนแต่ความสงบแต่เรายังอยากบาเพ็ญภาวนาต่อเราก็พิจารณากายใตาสติหรืออาการสามสอง ค่อยๆพิจารณาแยกแยะไปในส่ว น, นต่างๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เท่ต์ต่อไปเห็นความเป็นปฏิกูลในร่างกายเรานี้ยกพิจารณายกขึ้นมาพิจารณาซ้ําๆทุกั้นตอนนุโลมปฏิโลมให้รู้ทั่วถึงในร่างกายของเราบางครั้งจิตพิจารณาในเรื่องนี้เมื่อเข้าใจชัดในส่วนแต่ละส่วนแล้วก็จะเปลี่ยนการพิจารณาไปนในส่ว น, นต่างๆในร่างกายเราก็ได้เช่นบางครั้งพิจารณาผมเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของผมแล้ว จิตอาจจะมาพิจารณาหนังเหลืมเข้าใจในเรื่องของหนังแล้วจิตอาจจะมาพิจารณากระดูกค่อยๆมีสติมีปัญญาให้ควรพิจารณาไปให้ให้เห็นชัดขึ้นไปภายในจิตใจเราอยู่เสมอก็อจะเกิดให้เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในร่างกายเราในร่างกายบุคคลเ่งก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุดินธาตุ น, น้ำถล่มถ้าใส่เท่านั้นจิตค่อยๆถอนจากอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นออกไปที่ละเล็กทีน้อย ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นจากศีลจากสมาธิจากปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นความจริงในกายตนนี้ทีเล็กตีน้อยเพราะฉะนั้นการไปพิจารณาธรรมนั้นในเบื้องต้นนั้นที่เขาสมมุติว่าว่าพิจารณาธรรมเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือเพื่อให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาคือพระโสดาบันผลก็เพียงแต่ว่ามีสติมีปัญญาเห็นชัดตามความจริงว่า ร่างกายเรานี้ในเช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เห็นตายก่อนแตกเห็นตายก่อนตายในร่างกายเรานี้แหละถ้าเราไม่เห็นเช่นนั้นไม่ทําความเห็นให้เกิดขึ้นภายในจิตแจงเราไม่ทําความเห็นให้เรามีสติรู้เท่าทําความจริงว่าร่างกายของเรานี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกสลายไปในที่สุดจิตแจงเรานี้จะมีความหวงมีความห่วงร่างกายเรานี้อยู่เสมอเมื่อโรคภัยไข้เจ็บต็ดเดียนจิตใจเราก็เป็นทุกข์ เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจเราก็เป็นทุกข์เพราะใจเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตัวตนงเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราปรพฤติบัติดันเนินในสิ่ในสมาธิในปัญญาเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ว่าให้เห็นแต่ก่อนแตกให้เห็นตายก่อนตายจิตของเรานั้นจิตจะมีความสงบเยือกเย็นไม่หวั่นไหวต่อโลกภยัยที้เจ็บไม่หวั่นไหวต่อมรณะาภัยทั้งหลาย เพรา ะ, ะนั้นเราทำจิตของเรานั้นให้ถึงพร้อมหรื อ, อยังการประฏิบัตินั้นต้องมีใจเด็ดเดี่ยวซึ่งมุ่งหวังมรรคผลเรณิทานถ้าเราไม่มุ่งหวังหรือไม่ตั้งความหวังไปแล้วเราจะปล่อยมันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ควรนควายในการรีบ เ, เร่งพ orna เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความมุ่งหวังตั้งใจประฏิบัติแล้วการทำออมเพียนก็เป็นไปในแต่ละวันแต่ละคืนเราก็ไม่ปล่อย การเวลาให้ร่วมเลยจะโดยเปล่าประโยชน์ด้วยจักระหนด้วยจักรีบเร่งในการบําเพ็ญเพียรภาวนาเมื่อเราวิจับพิจารณาร่างกายเราแนี้ยให้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราก็สลับกอบการพิจารณาอารมณ์ภายในจิตใจเรานี่แหละกิเลสก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้แหละจะดับก็ดับที่ใจเพราะฉะนั้นอารมณ์ันใดก็แล้วแต่เกิดขึ้นมากิเลสันใดก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาไปในใจเราสติปัญญาต้องเข้าไปพิจารณาอยู่เสมอ เมื่อเราไม่มีกําลังของปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากใจใเราเราก็กลับมาทำความเป็บบเพืพอมมพ่อที่จะตัดลงรมั้นออไปก่อนเมื่อจิตเราสงบแล้วเราก็ ย, ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาซ้ำๆทุกๆนี่แหละร่างกายของเรานั้นเป็นลังของกิเลสเป็นสิ่งที่จิตใจเรานั้นมีความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนเราก็สามารถที่ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาให้เห็นได้ชัด พราะเราจะลิมตาหลักตาเราก็นึกถึงร่างกายนี้ได้เมื่อเราพิจดณาซ่อมๆจิตใจเรานั้นก็จะค่อยๆคลายจากความโลภคลายจากความโกรธคลายจากความหลงในกายตนทีเล็กทีน้อยถ้าจิตของเราเห็นชัดตามความจริงว่าร่างกายเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตของเราก็จะลาความโลภให้บรรเทาบางไปได้ลากความโกรธให้บรรเทาบางไปได้ลากความหลง ในกายตนให้บป็ดาวบงไปได้การจะพิจารณา ต, ต, ต่อไปนั้นเราก็พิจารณาอยู่อย่างเดิมนี่แหละพิจารณาในกายในร่างกายขอยงเราพิจารณาในอารมณ์ในจิตใจของเราดำเนินในจิ่งในสมาธิสัญญาเนให้ยิ่งขึ้นไปให้ละเอียดขึ้นไปตรงสิ่เป็นพื้นฐานมีธรรมินัยเป็นพื้นฐานทําสมาธิภาวนาเหมือนเดิมนี่แหละทําไปที่เดิมจะพิจารณาร่างกายจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาที่เดิมนี่แหละ พิจารณาให้เห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆพิจารณาซ้ำๆถ้าจิตเห็นชัดก็ค่อยๆวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปอีกส่วนหนึ่งที่เล็กที่น้อยความโลภ ก, ก็บรรเทาบางไปความโกรธก็บรรเทาบางไปความหลงในกายตนก็บรรเทาบางไปเมื่อเราเห็นชัดขึ้นมาภายในจิตใจเช่นนั้นจิตใจเราก็มุ่งไปข้างหน้านะไม่ทอดถอยเพราะรู้จักว่าถ้าเราพิจารณาร่างกายไปให้ถึงที่สุดแล้วก็สามารถที่จะสิ้นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ เพราะฉะนั้นการทำสมาธิเพื่จะเป็นพื้นฐานของจิตเพื่อก่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะพิจารณาแยกๆในร่างกายของเราให้เห็นเป็นสุภากรรมฐานหรือธาตุกรรมฐ า, มานพิจารณาจนจิตเข้าไปสู่ความว่างจงปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนออกไปจิตของเราก็จะมีความสงบเยืกเย็นดับจากความโลภดับจากความโกรธดับจากความหลงในกายตนความหลงในกายตนก็ไม่มีความหลงในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่มี จิตก็จะมีความสมงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นก็อาศัยในศิลสมาธิปัญญานี้แหละที่จะเดินเดินมรรคปฏิปทาไปเพื่อกระทั่งเห็นชัดตามความจริงแล้วปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูป ก, กายเราเมื่อจิตปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ความโลภ ก, ก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปเหลือแต่ความหลงอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นกิเลสอย่างลึก จิตนั้นแนงหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตในสัญญาของจิตในสังขารของจิตในจินยานของจิตเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาโดยแยกใครพิจารณาเห็นเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาพิจารณาสั้นรละช้าๆไปจนจิตเห็นชัดประจับขึ้นที่ใจจึงจะปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของจิตออกไปได้เพราะฉะนั้นนักต่อพิจิติธรรมนั้นเราจะต้อง รู้จักจุดบกพร่องตัวเรเองรู้จักจ็บที่กิเลส ข, ของเรานั้นอาศัยอยู่ที่ไหนหรือจิตใจเรานั้นมีกิเลสในลักษณะไหนเราต้องหาอุบายปั ญ, ญญานั้นมาเป็นเครื่องแก้ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตใจเรานั้นให้ตกเป็นธาตของกิเลสปล่อยจิตใจเรานั้นให้ตกเป็นธาตของอารมณ์ทั้งหลายซึ่งครอบงำจิตใจเราอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้น ให้มีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสนั้นเราก็ต้องฝึกขาประกอบจิตใจเรานั้นด้วยการควบคุมจิตใจเรานั้นให้หอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยในเบื้องต้นเอาข้อวัตประพฤติบัติกันมาขุดเกา่าจิตใจเรานั้นตรงไหนที่มันถูกกิเลสเราก็นํามาประพฤติบัติเพื่อจะแก้ไขจิตใจเราเราต้องมีความอดทนตั้งใจที่จะขูดเกากิเลสเราไปจากจิตใจเราจิงใจจะน้อกิเลสได้ สมาธิยังไม่มีเส้นไถในจิตใจเราเราก็ต้องอาศัยการกระทำความเพียนไม่ท้อถอยหาโอกาสหาเวลาบังคับจิตใจเรานั้นในการที่จะเดินกลมนั่งสมาธิยอยู่เสมอทำวันนี้ทำความเพียนวันนี้จิตใจไม่สงบเราก็ทำนี้พรุ่งนี้ก็ทำนี้พรุ่งนี้ไม่จะหงบอาทิตย์หน้าเราก็ทำขึ้นไหมทำทุกๆันไม่ทอถอยทำจนสมาธิเกิดขึ้น มีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่คือสมาธิธรรมเกิดขึ้นไปในใจงเราไมื่อเราจะเดินยืนนั่งนอนจิตใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อติดใจเรามีความสงบเยือกเย็นม้วยอำนาจของสมาธิสติปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็สติปัญญานี้มาพิจารณาขีดเล็ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเราพิจารณาความโลภความโกรธความหลงในกายตนนี้ให้บรรเทาบางออกไป ด้วยสติปัญญาแยกคายยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาตีแต่พิจารณาให้แยกแยะให้แตกกระจายไปยกอลรมณ์ในใจเราเนี้ขึ้นมาพิจารณาด้วยกําลังของสิลกําลังของสมาธิกําลังของปัญญาเนี่ยพิจารณาอยู่เสมอๆจิตใจเรานั้นก็ค่อยๆบรรเทาเบาไปจากกิเลสเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ยากลาบากอะไรเลยให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม ให้มีความผลขวายในการที่จิตสำรวมจิตแจงเราหาวบายให้เกิดศรัาความเพียรอยู่เสมอเสมอเพื่อที่จะขอให้เกิดสติสมาธิปัญญาที่งี่เป็นเครื่องแปรเผากิเลสความเพียรทั้งหลายนี่แหละจะเป็นเครื่องแปรเผากิ เ, เลสไปในจิตแจงเรานั้นให้สิ้นซากไปได้เพราะฉะนั้นแต่ละท่านแต่ละองค์ซึ่งเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติอยู่ในสำนักต่างๆเมื่อเรามุ่งหวังมาประพฤติปฏิบัติแล้ว ให้พยายามหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่ทุกๆุกวังไม่ท้อถอยเมื่อมีความท้อถอยก็ต้องผลิตอุบายปัญญาคือให้เกิดขึ้นให้เล่งลับจิตใจแงเ่เรานั้นความสงบไม่เกิดขึ้นก็พยายามเล่งลับกำามาเพียรให้ความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วสติปัญญาอันแยกกายก็จะพิจารณาล้กิเลสออกจากจิตใจเราที่ละเล็กทีน้อยเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามที่จะจับรวมจิตใจแงเ่เรานั้น ให้ตั้งอยู่ในปฏิบัตธรรมให้มีส ต, ติมีปัญญารักษาใจเราทุกๆขณะ จ, จิตจิตใจเรานั้นก็จะค่อยๆบรรเทาบางจากกิเลสเองในวันนี้ก็ขอยุติจเจตนเท่าันี้